พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอดิตกรรมของพระศรีอริยเมตรโย วันนี้เป็นวันที่ส6บหสิงหาคมพุทธศักราช 2,559 หเมื่อวานฝนตกจนถึงบ่ายสามสี่โมงยังค่อยหยุดแต่ฝนตกลินพรำ พ, มพมไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อถ้าว่าตกแรงๆก็คงจะเป็นผลดีแต่นี้ดูดูแล้วของฝนไม่แรง แต่ว่าตกทั่วตกระยะกว้างไกลมากนะแปลว่าอำเภอน้ําสมนายวงในแวกนี้แปลว่าทั่วถึงหมดอดีไหมก็ดีดีกว่าไม่ตกแต่ตกลมาไม่ไม่ได้น้ําแต่นะั้นน้ํำนาเขายังต้องการหรือไหมยังต้องการอยู่ อ, ย อ, อ, ยอันนี้คือคือฟ้าฝน วันนี้เป็นวันหนึ่งคณะเจ้าทายาตโยมหลวงพ่อเองพูดทุกเช้าแล้วก็เมื่อคืนก็มีการประชุมพระพระกับสอนแนวทางปฏิบัติส่วนพระก็สอนในแนวหนึ่งสำหรับพี่น้องประชาชนก็บอกกล่าวให้ได้รบับรับรู้รับทราบเรื่อง ทานเรื่องศีลเรื่องเรื่องภาวนาเรื่องจิตภาวนาแบบขั้นพื้นฐานแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำรีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอันนี้คือจะเน้นย้ำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็เป็นดุลยพินิษของแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่มีการบังคับพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับให้เชื่อหรือไม่ให้เชื่อถ้าว่าพวกเราพิจารณาไต่กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วทำให้ดื้อดึงทำให้ดื้อรั้นนะก็ต้องฟัง พราะมันเหตุผลมันลงตรงนัหนึ่งบวกหนึ่งจะเป็นสามได้ยังไงหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเป็นสองก่อนที่จะบวกขึ้นมาการว่าคําบวกคํานี้เราก็จะทำยังไงคนโบราณเขาคงจะคิดเอาไม้ชี้หนึ่งขึ้นมาอะไรอันหนึ่งกับชี้หนึ่งขึ้นมาอันนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งอันนั้นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งถ้ารวมกันจะเป็นเท่าไหร่เป็นสอง อันนี้คือคือเหตุผลมันต้องเป็นสองสองอันมารวมกันอันนี้ก็รวมไปเรื่อยๆอันนี้ ค, คือหลักเหตุผลนี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนากัลักษณะอย่างงั้นหละพูดตามหลักเหตุและผลถ้าใครทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าใครทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงแต่ทุกวันนี้เขาก็บอกว่าทำดีกับได้ชั่วทำชั่วกับได้ดีมีถมไป ه. ก็ใช่ คือบางบางอย่างแต่ถึงยังไงคือหลักเหตุผลจริงๆตัวกรรมจริงๆคือการกระทำมันตัวไหนก็ตัวนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมคือการกระทำใครทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงใครทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงรับได้รับกรรมทั้งหมดถ้าผู้ที่กระทำนี่หละ ไม่ว่าพระพุทธเจา้าไม่ว่าพระอรหันตสาวกไม่ว่าผู้ใดใครทั้งหมดได้รับกรรมกรรมคือการกระทาของตนเองพระพุทธเจา้าท่านก็ได้สวยพระชาติแล้วสวยกรรมของพระองค์กรรมของพระองค์คือกรรมดีแต่บางบางทีบางกรรมก็แทรกเข้ามาอีกเหมือนกันนะบางกรรมบางกรรมกรรมชั่วก็แทรกเข้ามาใน การเป็นอยู่ของพระองค์เหมือนกันเพราะนั้นทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วแต่กรรมดีของพระองค์มากกว่ากรรมชั่วก็มีอยู่แทรกเข้าไปมาพูดถึงเรื่องนี้กันมาพูดนึกย้อนไปถึงพระศีอริยเมตไตรในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระศีอริยเมตไตรมาเกิดไหม นายมาบำเพ็ญไหมแต่ดูในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ที่เป็นเงินงาเป็นเป็นเรื่องออคือสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้ออกบวช่ออกทรงผระหนดหนีออกจากเวียงวังไปบำเพ็ญอยู่ในป่าทั้งหกปีแต่นางโคตมีพระแม่เลี้ยงนะ คือนางโคตบีเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่ของพระมารดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้าคือนางเสดิมหามายาคือนางโคตบีเนี่ยเป็นน้องสาวในเมื่อพี่สาวสวรรค์นครพระเจ้าจุโทธทนะก็อภิเศกสมรสกับน้องสาวขึ้นมาเป็นอัคัมเหสี แต่นางโคตมีเนี่ยรักในพระพุทธเจ้ามากกว่าลูกของตนเององก็จะเป็นเครื่องผูกพันมาในอดิตชาตินะแต่ในเมื่อพระองค์เมื่อสิท ธ, ธะหนีออกจากเวียงวังไปบวชนางโคตมีที่เป็นพระแม่เลี้ยงนตั้งอกตั้งใจตั้งจิตแน่วแน่ก็อได้เองแต่ทำผ้า ที่จะถวายพระพุทธเจ้าทําให้ปลานี่ที่สุดดีที่สุดสุดฝีมือของตอนเองทั้งก่อได้เองทั้งกระตกุทททกทําตํากี่กระตุกเองทําให้ดี เ, เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็จะเด็ดกลับมาโปรโดพไพบิดาที่กรุงกบิละัฒน์แต่นางโคตมีเนี่ยก็เห็นว่าพระพุทธองค์จะเด็ดกลับมา ขอปีติยินดีอย่างมากในอัปผ้าที่ตนเองได้เตรียมไว้ทั้ง6ปีนะถวายพระพุทธเจ้านะบอรวันหมอมฉันได้ทำด้วยมือของตนเองนะที่ทําด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยความปราณีตสุดฝีมือที่จะถวายพระพุทธองค์โปรโดพระพุทธองค์โปรโดเมตตารับและใช้ให้หมอมฉันด้วยนะ เมื่อพระเจเจ้าได้รับแล้วนะพรดรับเออเอารับแล้วพอรับเสร็จแล้วนะได้บุญได้กุศลแล้วนะท่านก็ยื่นให้องค์ต่อไปองค์ที่นั่งเลี้ยงพระ อ, องค์ไปก็คงจะเป็นภาษาลิบุตรโมกขลาหกัจปะอานนท์ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นนะท่านก็ยื่นไปเรื่อยๆจงไปถึงองค์งสุดท้ายองค์สุดท้ายคือบวชใหม่แต่านาง โคตมีเนี่ยก็เห็นยื่นไปนางก็แปล้วในใจนะทั้งที่มีเจตนาจะถวายพระพุทธเจ้านะแต่พระสงฆ์งก็ส่งไปพระองค์บอกว่า น, ะนางโคตมีได้บุญกุศลมากเห็นะรับทุกองค์จงไปถึงองค์สุดท้ายพระองค์สุดท้ายมันรู้จะส่งไปให้ใครนะท่านก็รับไวนะ้ปนางโคตมีก็เลยเทำไม เราตั้งอกตั้งใจจะถวายพระพุทธเจ้าแต่ไปอยู่องค์สุดท้ายพระพุทธองค์บอกว่าโคตมีองค์สุดท้ายนะ่นนะไม่ใช่พระธรรมดานะท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรองต่อจากเราไปคือนั่นแหละคือพระศรีอริยะเมตไตรนะจะเด้จะได้ตัดสรุปในอน า, อนาคต ภายภาคหนาอพอว่าพระองค์เออเอาโมกขาล า, าไปรับรับบาทของเราสิพระองค์เอาบาทเออเอาบาทขึ้นไปลอยในอากาศพระโมกขาลาแะแดงฤทธิ์เหาะตามบาทพระพุทธเจ้ารับไม่ตามไม่ทันแต่นี้พอจะนั้นพระโมกพระพร ะ, พระบวชใหม่ ออกไปเอาไปยืนเนี่ยพอยืนแบมือท่านะนะบาทลอยเข้ามาอยู่ในมือของท่า น, นอันนี้ก็คือการก็เป็นท้าองค์แสดงให้ปรากฏว่านี่คือภาษีอริยเมตไตรที่มาได้บำเพ็ญในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญ เ, เพื่อจะได้ต่อไปจะได้ตัสรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคต น, นี่แหละ อันนี้ก็คือถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วก็อันนี้มาในพระไตรปิฎกนะแต่เจ็ดจิยังไงเราก็พูดตามตำรับตารานะอันนี้เมื่อแต่ที่งยังไงก็ตามแต่ท่านจึงกล่าวถึงเรื่องพระศรีอริยะเมตรไตรที่จะมาตรัสจากนี้ไปก็ยาวนานทีเดียวแต่พระศรีอริยะเมตรไตรอายุยืนอายุยืนถึงแปดหมืนปีนะ เพราะปัญญาพระพุทธเจ้าหรือปัญญาทิฆาร้อปีเป็นอายุไขัยศรัทธาทิกะเนี่ยอายุห 0,000 ปีเป็นอายุไขัยวิริยะทิฆาแปด0 0ื่ 80, ปีเป็นอายุไขัยอายุของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันอนาะการบําเพ็ญของพระพของพระพุทธเจ้านะแต่ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันการบำเพ็ญของพระองค์หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านล้า น, า น, านปี ว่าจะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสมมาสัมโพธิญาณแต่นี้ภระสีอริยเมตไตรของเราเนี่ยเคยได้เกิดเกิดมาในศาสนาได้เกิดมาได้พบกันอยู่นะเนี่ยพระสีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าของเร า, เ, าเนี่ยตนี้เราพันพูดถึงพระมหากัสจปะนะพระมหาตปะที่เป็นประธานสงฆ์ธรรมสังขารนาในเมื่อพระพุทธเจ้าวรรณาน พระหมหาคตปะเป็นประธานสงฆ์ทำสังขารนาที่กรุงราชคฤห์ประมวลรวบรวมธรรมวิในัยให้เป็นหมวดหมู่เป็นพระเถระที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่งถ้าว่าม่มีพระหมหาคตปะเป็นผู้รวบรวมพระธรรมวินัยข่าวนั้นก็คงจะกระจุยกระจายกระจัดกระจายตอนี้พันมองไกล ท่านก็ได้รวบรวมพระสงฆ์ถึห้าร้อยองค์ร้วนแต่เป็นพระอรหันต์มาไปชุมกันที่ถ้าจัตตบรนนักูหาแต่ว่าพระมหากัส ป, ปะเทระเนี่ยองค์อื่นท่านปรินิพานที่ไหนก็มีประวัติทั้งหมดอย่างพระอานนท์เนี่ยก่อนที่จะปรินิพานพระองค์พระอานนท์ก็จะเด็จมาประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัทจากนั้น เวงเมืองวิเทหะคือเมืองแม่เมืองพมานดาของพระอา น, นุ์เมืองกรุงกบิลพัทเป็นเมืองพระบิดาของพระอา น, นุ์แต่ก่อนที่พระอา น, นุ์จะปรินิพานมั้ยอายุมากแล้วทางกรุงวิเทหะก็จะลีละของอา น, นุนท่านอา น, นุ์ต้องมาอยู่ต้องเป็นข้าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดทําศริละให้ยิ่งใหญ่ทางกรุงกบิลพัทก็ไม่ได้ ของข้าพเจ้าต้องเป็นเจ้าภาพจัดศลีละของท่านอาหนุนคื อ, ก, อ ก, ก่อนที่พระอาหนุ์จะปรินิพานญาติก็แตกกันเลยทีนี้ใครๆก็จะจะเป็นผู้จัดงานฉลีละจัดงานศพของท่านอาหนุ์ผลที่สุดท่านพานนุนโอ้ถ้าเราตายลงปรินิพานลงไปเนี่นะพระประโยุน์ญาติทั้งหลายคงจะทะเลาะกันแใ น, ใน่ จากนั้นพระองค์พระอานุลรู้ท่านก็เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์อีกต่างหากท่านก็เลยเอาเถอะเราจะแบ่งจริระของเราให้เป็นสองภาคเลยพอเนี้ท่านกับพระ อ, อนุลท่านถึงได้เวลาท่านก็ถึงกําหนดอายุของท่านแล้วหมดแล้วอายุของเราหมดแล้วในะวันนี้ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเมื่อเราหมดลมหายใจเขา้าออกแล้ว ขอให้ร่างกายของเรานี่ขึ้นไปในอากาศท่านเพ่งเตวาโยขึ้นคือว่าหมุนตัวเองขึ้นไปในอากาศพอถึงในอากาศได้ร่างกายแตกเป็นสองภาคเลยผ่าครึ่งเลยลงมาทางเมืองกรุงขปลพัฒน์ครึ่งหนึ่งไปที่กรุงวิเทหักที่ถังฝ่ายญาติพระมารดาครึ่งหนึ่งจากนั้นก็เลยได้จัด งานจรีละของพระอานุนทั้งสองทั้งสองฝากฝั่งไม่ทะเลาะกันเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะคนจะทะเลาะกันนี่นะ เ, เพียงนิดหน่อยท่านันก็จะแย่งแย่งกันจรีละเท่านั้นเลยจะต้องอล้มหายตายกันเป็นเบืดเหมือนกันถ้าพระอานนุนไม่จัดการจากนั้นจ ถ, ถึงพระมหากัปะนี่เป็นพระเถ ร, ระผู้ใหญ่ท่าน มรณะภาพแล้วมันลงไปแล้วท่านเฉลีละของท่านอยู่ไหนเออันนี้ก็่ในตําราไม่มีนะในพระไตรปิฎกไม่มีแต่ท่านก็มีบอกว่าเมื่อพระมหากัจจปะปรินิพานแล้วพระมหากัจจปะไปปรินิพานที่ภูเขาสามยอดนเป็นภูเขาสามยอดแต่ในพระมหากัจจปะไปพอไปภูเขาภูเขากันนะ เป็นถ้ำเป็นโพรงแล้วก็แตกแล้วก็หบุบเข้าไปในภูเขาอ่อแต่ตามให้จริงในตํารา ห, หรือในพระไตรปิฎกจุดนี้ก็คงจะไม่ใช่ไม่ใช่มาในในพระบาลีเพราะว่าพระบาลีคือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ตรัสอันนี้ก็คงจะมาในอัตถกถานะมาในพระไตรปิฎกเหมือนกันมาในอัตถกถาเพราะว่าพระพุทธเจา้าปริญพานไปแล้วนะ พระนุนพระมหากคตปาจึงได้ปรินิพานต่อภายหลังเมื่อสังขายนามจบแล้วพระมหากคตปาก็อายุแก่แล้วมากแล้วท่านก็ถึงคราวปรินิพานของท่านแต่เมื่อปรินิพานของท่านไม่มีใครเห็นวาพระมหากคตปาปรินิพานหยุดที่ไหนสัลีละของท่านไปอยู่ที่ไหนแต่นี้ก็มีคณาจารย์หรือว่า พระอัตฐกถาจารย์ที่หลังท่านได้บอกว่าพระมหากัจปะปรินิพานแล้วไปอยู่ที่จรีละของท่านไปอยู่ที่ภูเขาสามยอด เ, อเพราะว่ า, าท่านได้เกี่ยวเนื่องอกับพระศีรยเมตรั ย, รยท่านได้ใช้กรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นพระพระศีรยเมตรัยเจ้องเลยได้ใช้กรรมกับท่านพระมหากัจปะนะ อันนี้เราก็ฟังเอาไว้นะอันนี้คือมาในพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่คงจะเป็นปูนหลังคงจะไม่ใช่อัตตกถานะคงจะไม่ใช่พระบาลีคงจะเป็นอัตตกถานะพอมาพูดถึงเรื่องนี้หลวงพ่อก่อนท่านพระฝระังท่า น, อ, นอาจารย์กันตาชิโรท่านบอกว่าเอ๊ะผมไปกราบทูลผมพพูดเรื่องนี้แหละถาวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเถอ ติยาณสังวรองค์ที่ท่านถิ่นพชนไปนะท่านบอกเอเราก็ไม่เคยได้ยินว่าอันนี้มาจากไหนฮงเออเราก็เราก็ถามมหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกมาในพระไตรปิฎกนะชาดกนะห้าเล่มนะไอ้ตัวดูจิตนั่นแหละท่านตรวจดูท่านก็เห็นอทัพพระฝรั่งท่านตรวจนั่นก็เห็น แล้ก็ไปกราบทูลพระสงเดษพระสังฆราชนะท่านก็รับทราบนะนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อพันปริณิผ่านแะล้วพระมหาพระพุทธเจ้าพระสีเรยะเมตรยัยมาตร์พอมาตร์แล้วประกาศพระศาสนาแล้วนะท่านก็รู้จักว่ากรรมคือการกระทำของพระ อ, องค์ในอดีตชาตินะมันมีอยู่ดันั้นนะท่านก็ อธีตผศสบของพระมหากัตปานจะออกมาจากภูเขาลอยมาจากภูเขาเทวดาเลยอภิอภิหารเลดไม่ทราบลอยมาพระมหาพระพุทธเจ้าพระศิริยาเมตรตยแบมือรับเอาอออมือคว้างข้างขวารับรับประสบพระ ม, ระมหากัตปะพอรับแล้วไฟก็ไหม้ ไม่ในฝ่าพระบาทมาประหัตเบื้องขวาของพระศรีริยะเมตรยัยไม่จดจดจดจจดจใช่จากนั้นก็นะคือว่าอธิษฐานของพระมหากัตปะอยู่ที่ฝ่าพระบาทของพระศรีริยะเมตรตรในตำราท่านว่าอย่างนั้นนะเป็นเพราะอะไรท่านก็บอกว่าในอดีตชาติในชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้พัฒ สีอริเมตรไตรค็ดีพระมหากตปะก็กดีเกิดมาชาตินั้น พ, ะพระมหากตปะเป็นช้างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พระสิริยเมตรไตรเป็นนายหัตถารย์คือนายฝึกหัดช้างนี่ยเป็นเป็นนายหัตถายานเป็นผู้ฝึกหัดช้างที้ท่านเห็นช้างตัวนี้เนี่ยที่พระมหากตปะเป็นช้างเนี่ยเป็นช้างที่ เออรูปลักษณะท่าทางเหมาะสมสวยงามสูงใหญ่สมควรจะเป็น้างช้างสงของพระราชานะนฮะอจารย์เห็นลักษณะอากัปกิริยาสอนได้ทุกอย่างนะ เ, เป็นช้างที่เชื่อฟังเป็นช้างที่บอกง่ายเชื่อฟังเอ่อที่ในนกเสนอเข้าไปทางหลวงตะเลคือวันนี้ ช้างตัวนี้ข้าพระองค์ได้ฝึกหัดดูแล้วเป็นช้างที่แสนรู้มากเฉลียวฉลาดมากช้างตัวนี้สมควรที่เป็นสร้างสงของพระเจ้าแผ่นดินเน่แต่พระเจ้าแผ่นดินก็เชื่อในช่างในหัตถ์จานคือในควานช้างที่ฝึกหัดช้างท่านก็เลยรับเป็นช้างหลวงเป็นสร้างสงเป็นสร้างสงของพระราชาตอนนี้เมื่อพระราชาเจเดจออก รอบเมืองพรายชาเขาขึ้นบนขี่คอช้างใช่พอช้างตัวนั้นอ่ะมันมันไปเห็นช้างตัวเมียฮพอไปเห็นช้างตัวเมียต่วนั้นมันลืมมันลืมว่าพระราชาอยู่ที่คอคอของตนเองนะเออใค้เนากิเลสตัณหาเนะ่ยเออมันหน้ามืดตาหมัวมันก็วิ่งไปหาช้างตัวเมียใช่พอพราชาก็จะตกแง่จะตก หลังช้างอย่างต่งางๆทีนี้เขาก็โวยเวกโบกเวกปวยวายกันนะอ้าวแสดงว่านายตาจารย์เนี่ยมีแผนอะไรที่จะฆ่าพระรายชาหรือเปล่าทำไมจึงเอาช้างอย่างนี้มาให้พระรายชาเป็นช้างส่งแต่ทีนี้เขาก็แห่งมองมาหานายอาจารยาน์นายอาจารย์บอกไม่ใช่ผมฝึกหัดดีแล้วดีอย่างมากๆผมไว้ใจที่สุด แต่เขาก็ไม่เชื่อเออใครจะไปเชื่อกันได้ง่ายๆปุ๊บเออพระราชรเจ้าแผ่นดินขนาดนั้นใช่ไหมนายหัตจาร์เน่เอาเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูช้างของผมผมฟังได้จริงๆแต่นั้นเขาก็ให้เผาแท่งเหล็กเหล็กแท่งเหล็กแท่งนะ่ะเตียเผาเหล็กแท่งให้แดงๆเลยเ อ, อพอพอบอกแล้ว พอเสร็จแล้วนายหัตถจารก็บอกให้ช้างตัวนี้นะเอาจับแท่งเหล็กเดี๋ยวนี้จับช้างช้างตัวนั้นก็ทั้งที่มันก็รู้ว่ามันร้อนใช่ไหมมันก็งวงจับแท่งเหล็กพอจับเท่ายว่านงะยาว่า ง, าางมันก็ไม่ยอมวางเลยเพอนายหัตถจารบังคับไม่ให้มันวางให้มันก็ไม่งวงก็มันตวดๆวดจวจวด คนที่สุดช้างตานอก็เลยตายตายกับแท่งเหล็กตัวนั้นนี่แหละอันนี้คือการกระทาของพระศิริยะสมัยท่านเมื่อชงเป็นในในหัตถายา์ท่านก็ได้ใช้ ร, รมจุดนั้นที่ว่าพระมหากัจจปะเป็นเป็นพระเทระที่ปรินิพานอยู่ที่ภูเขาสามยอด ถึงวันนั้นจะลอยออกมาแล้วก็อยู่ในพระหัะหตของพระพุทธเจ้าพระศีอริยเมตไตรอันนี้ก็คือพูดในมาในพระไตรปิฎกนะคณะจตหาญาจุโ่อันนี้ก็คือกรรมกรรมคือผลของกรรมกรรมคือการกระทำในเมื่อไทยใครทำกรรมดีและกรรมชั่วกรรมนั้นจะตามสนองนะในขนาดในท่านพูดในนั้นก็ว่าขนาดเป็นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังยังจะต้องได้ใช้กรรม ร้านขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศรัทธาญาติโยมกรรมที่ไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทําถ้าทําไปแล้วกรรมนั้นจะตามสนองทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็ยังได้ใช้กรรมเหมือนกันกับพวกเราท่านทั้งหลายกรรมเป็นผู้ซื่อสัตว์กรรมเป็นผู้ซื่อตรงถ้าใครคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีกรรมนั้นจะตามสนอง ทุกภพทุกชาตินะไม่มีใครที่จะจูเนื้อกรมไปได้อนะไร ใ, ให้พวกเราทุกๆุกท่านนะเงินละพอในทีนี้นะ